ทุก็ทางทีวทีก็ได้นี่มนต์มาเทศเอามาคุยกันก็นแล้วกันเนาะติอยากจะให้โยมเนี่ยนั่งตามสบายกันก็แล้วกันยา้ายใกล้คิดกันเยอะนางห่างหน่อยก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติเนาะคามเป็นไปเป็นมาของเราก็ทำความสงบนั่งตามสบายที่เคยนั่งยังไงนี่ตามธรรมเนียมการฟังเทศของพรูบาอาจารย์เนี่ย ไม่ต้องส่งจิตมาจําไม่ต้องจํำมาคําเทศท่านจะเทศเรื่องอะไรไม่ต้องทําความสงบเทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยความสงบเนี่ยเหมือนกับอ่าเราขุดบ่อขุดบ่อรอน้ําฝนนะขุดบ่อไว้พอเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยอ่าน้ําฝนก็จะไหลลงมาในบ่อของเราเหมือนกับธรรมะเนี่ย ถ้าเกิดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจริงๆไม่มีความสงบจริงๆเนี่ยธรรมะก็จะไม่ไหลาพาะไม่ไหลเข้าไปในจิตของเราเราลองย้อนหลังกลับไปในครั้งพุทธกาลที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะมีทิฏฐิมานะก่อนเพราะว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิจะเกิดการค้านค้านธรรมะไม่เชื่อนะ เราลองย้อนหลังกลับไปที่ปัญจวัคคีที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ่ที่อะท่านจะไปโปรดปัญจวัคคีมีอัญญากุธัญญะเป็นหน้าพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโลเลมากๆตอนที่กลับมาฉันสเสวยกิจฐานก็เลยหนีหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤุกัายวัน พอทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาก็ประชุมกันแล้วคือแข็งแข็งข้อนะคันนั้นคือว่าทาความกันด้างกระเดื่ยจะไม่ลดต้อนต้อนรับแต่ว่าปูอาสนะไวะ้คิดอย่างนั้นแค่อย่างนั้นพอพอเวลามาแล้วเนี่ยกกตนเสมอท่า น, นตีตนเสมอฤทธิมานะะพุทธเจ้าก็เลยต้องบอกว่า เมื่อก่อนนี้เราเคยได้พูดสิ่งนี้สิ่งนี้ไหมก็ไม่เคยพูดแล้วเราบอกว่าเราได้สําเร็จแล้วเนี่ยเราเคยพูดหรือยังก็ยังไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเธอทั้งหลายจงฟังเราจะพูดเล้ฟังเลยคาทิธิมณะตรงหน่อยนึงก็เลยเทศ เ, เทศโปรดเมื่อเทศโปรดในระหว่างนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเป็นสมาธิไปด้วยเมื่อท่านเทศจบลงปุ๊บเนี่ย อัญญาโกนธนญยะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมจิตเป็นสมาธิเนี่ยได้อานิสงส์สูงธรรมะก็จะไหลเข้ามาในจิตในใจเราก็คือว่าต้องทำจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิสักหน่อยหนึ่งก่อนเราเคยฝึกอะไรไว้เราก็เอาคำบริกรรมตรงนั้นเนี่ยเป็นแม่บทอย่างครูบาอาจารย์ทางคณะสิบห์นงกู่มั่นหลักๆเนี่ยท่านจะให้ใช้คาบริกรรมว่าพุทโธเป็นหลัก แล้วกำกลับเข้าไปกับลมหายใจด้วยหายใจเข้าพุทออกโทไม่ต้องเกง่งพุทโทธรรมโมสังโคสักสามรอบแล้วก็เอาพุทโทอย่างเดียวทําไปให้จิตสติกับพุทโทให้มันแนบแน่นด้วยกันนีฝึกทําไปอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปกําหนดว่าต้องเป็นสมาธิทีเดียวไม่ต้องขอให้มีสติทําอย่างนี้ก็แล้วกันทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมะก็จะ ได้ซึมไหลเข้าไปเองเนาะตัดใจนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สุขาสังขสะสามัคคีอิมัสสะธรรมปริยายัสะอธโธสาธายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตโโบตินะครับที่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทํานพ่สงบไว้ในอารมณ์พบก็จะขยายเนื้อความที่เรียกว่าสุขาสังขสสะสามัคคีถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็ความพร้อมเพียงของหมูนำสุขมาให้ อย่างที่พวกเราได้มารวมกันทำความดีเบื้องต้นเมื่อเช้านี้ก็ได้ทําบุญตักบาตรเนี่ยก็สําเร็จกิจไปแล้วตอนนี้เราก็มาท่าพักสงบกันในห้องนี้ก็ดีนะเย็นดียินอากาศเย็นแต่ที่บนดอยเย็นกว่นี่เย็นกันนี้เย็นธรรมชาติไม่ต้องเสียตังค์ไม่เสียค่าไฟนั่นแหละก็ยพยายามอยากชักชวนให้โยมถ้ามีโอกาสก็ขึ้นไป ถละเวลาไปสักคนละสี่วันห้าวันจะบทชีบทพระก็ได้นะมีที่อยู่ให้พ่อที่สัปเหร ะ, ะนะบ่ดอยสัปเห ะ, ะนั่นแหละตอนนี้กว่าที่จะอยู่ได้แบบนั้นไม่ใช่ง่ายยมนะป่าเขาลมเนาวภัยหาความสุดวกสบายอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ที่ไปอยู่กันเนี่ยคือลูกบูญเชียเนี่ยท่านเกิดจะนิยมเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ย ท่านก็จะให้พระเนี่ยขึ้นไปหาที่วิเวกสังัดตามป่าตามดงเนี่ยเยอะลูกจิตลูกปู่มีเยอะเนี่ยแวถวอำเภอแม่สอดมีหลายที่มากไม่ใช่มีเราองค์เดียวมีเยอะนะมีเยอะแต่โยมอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็มีหลายสำนักแต่ที่ตรงนี้เ็าเรียกว่าบ้านมูเซอร์สามมนทุ่งมาก่อนนี้ก็ ก็มีท่านจันเด่นนะไปทําที่พักไว้แล้วก็นิมนต์อาจารย์ธนาจาัรยร์ปีสองพันหรอยี่บเก้าไปทําแล้วก็อยู่ที่นั่นยีิบเก้าแล้วก็สามสิบเนี่ยเป็นปีแรกของวัดป่าบ้านอุเซอสามทุกเนี่ยอาจารย์ธนาจาันทร์อยู่วัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่ก็ไม่รู้ยมรู้จักอาจจะได้รู้จักบ้างนะท่านอยู่ที่นั่นแล้วก็นิมนต์ท่านมาจามันสาเป็น เป็นองค์แรกแล้วก็มีพระอุปถาโองค์หนึ่งชื่อหลวงพี่ขาวบวชวัดโสกรามนี่แหละบวชก่อนปีหนึ่งท่านก็ไปอุปถาปี2130ปี2531อเจนเด่นกับคุณชายนิติวัตรกเกษมศรีอยู่ด้วยกันสององค์ปีที่สามของวัดก็อาตมาอยู่องค์เดียวปีนั้น ปี2132เป็นปีพรรษาที่ห้านั่นแหละขึ้นไปอยู่ตรงนั้นมีกระตอ๊อบกเก่าออยู่สองหลังหลังหนึ่งก็เป็นที่นอนอีกหลังนึงเป็นที่ฉันจังหันแล้วอีกอันหนึงเป็นพงเ พ, งเพิงกนเพิงเอาไว้สําหรับเก็บอาหารคือในวินัยของพระเนี่ยอาหารการขบฉันจะอยู่ในที่พักที่นอนไม่ได้ต้องแยกกัน เนี่ยก็ทำทเพิงไว้ทำกระท้อบไว้ไว้เก็บห้องน้ำไม่มีนะห้องน้าให้บูเซอทำส้มหลุมส้มหลุมนั่นแหละสมัยก่อนนี้กระดานมากไม่มีทางรถมีแต่ทางเดินเนี่ยรีบบวชมาเนี่ยไม่รู้เรื่องศาสนาจริงๆตัวเองเนี่ยบวชมาตามประเพณี เพราะว่าลูกชายเราเนี่ยทุกคนก่อนจะมีครอบครัวเนี่ยปู่ย่าตายายก็จะบอกว่าให้บทเรียนเสียก่อนแม่มีลูกชายห้าคนสามคนแรกแต่งงานไปไม่ได้บทพระสามคนแรกมีลูกชายติดต่อกันสี่คนอาตมาเป็นคนที่สี่เราก็เลยมาคิดว่าเมื่ออายุครบแล้วเนี่ยต่อไปในวันหน้าเราก็ต้องมีครอบครัวเหมือนกัน ตอนนี้เราไปลูกเขาอยู่ทำให้พ่อแม่สบายใจเสียก่อนคิดอย่างนั้นนะ่ะจริงๆไม่รู้เรื่องการภาวนาเลยพุโทโธธรมโมสังโฆไม่รู้จักนี่ในะสมัยนั้นแต่ตอนนั้นทำงานในกรุงเทพนี่แหละเสร็จแล้วลูกศิษย์วัศกาัลามเนี่ยได้มาทำงานด้วยกันพอว่างเว้นจากงานสเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเที่ยววัดโศการามตอนนั้นอายุสิบหก ปี2522เนี่ยอายุ16ได้เข้าไปที่วัดโสกละามพอเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเห็นความแปลกของวัดตัวเอ้ยทำไมวัดไม่เหมือนพระที่วัดเราที่บ้านเรามันไม่ใช่แบบนี้แล้วยุคนั้นเนี่ยคูบาอาจารย์เนี่ยเยอะหลวงปู่ชอบหลวงปู่สิมจูนวัดโสกลาม หลวงปู่หลวงพ่อพุทธหลวงปู่เมตตาหลวงเนี่ยหลวงปู่สิมหลวงปู่เว่นเยอะมากไปรวมพลอยู่ที่นั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งหมดในยกนั้นพระเยอะพื้นที่แวะเวียนของครูบาอาจารย์เมื่อเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนอายุสิบหกเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นมาเลย เห็นคุูบาาจายเหล่านั้นเราไม่รู้เลยว่าพระเหล่านั้นเป็นพอริยะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยพอเห็นแล้วทำไงแต่นี้จิตก็เลยคิดว่าเมื่ออายุครบแล้วเนี่ยก็จะมาบวชที่วัดนี้แหละคิดว่าอย่างนั้นแต่บ้านเกิดอยู่ลบบุรีมาทำงานในกรุงเทพพออายุย่างเข้า21ปีเต็ม เยี่ยปีเต็มย่างยี่สิบสองมาสามเดือนสี่เดือนก็บวชบวชมาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าต้องมานั่งภาวนาเดินังกมอะไรต่างๆเนี่ยทุดดงควัตสิบสามข้อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนในยุคนั้นเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าบวชมาศึกไปก็จะมีครอบครัวรู้ได้แค่นี้เลยเพรษษาะเราผู้ชายต้องเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่องค์หนึ่ง ชือลวงพี่หลังสรรพภาโสบ้านอยู่อัลันสมัยก่อนนี้อัลันก็ขึ้นอยู่กับป้าจีนเนาะต่อหลังมาแยกแล้วแยกก็เป็นอ่จังหวัดสาแก้วหมู่กันนะก็ปรึกษาเรือคุยกันบ่อยออกภาษามาก็จะศึกนะ่ะอลวงพี่หลังสรร น, นี่ก็บอกว่าไปครูบาไปเที่ยวป่ากันก่อนแล้วค่อยกลับมาศึกในสมัยนั้นอเสร็จแล้วทํำไงตอนนี้ อ่ะไปก็ไปเราก็บอกอ่อแล้วพระก็อยู่ป่าอยู่เขาแล้วมันจะไปกินอะไรนะท่านก็บอกเราก็ไปวัดครูบาอาจารย์ไปวัดแรกเลยวัดไข่วัดของโอยปุยอาจารย์ไพลโรดอ่าที่ทางเชียงใหม่โอยปุยเคยไปไหมอยู่ตำหนักอ่าทางภูพิงขึ้นไปข้างบนนู้นบัณแม้วเราก็ไปไปกราบศพหลวงปู่แหวนก่อนปี2อ2พันนร้อยี่แปด ออกภาาได้ใหม่ๆไปปี น, นั้นลุงปูแหวนได้มรณะภาพลงก็ไปก็ไปเสร็จแล้วก็ไปกร า, กากบศพลุง ป, ปู่แหวนก็ไปถ้าเทียงดาวสมัยก่อนถ้ำเทียงดาวยังไม่มีตลาดร้านค้าสมัยก่อนเนี้ยไม่มีก็เงียบอยู่ยังใช้ตะเกียงแจ้าพายุมีคนเฝ้าอยู่ใช้ตะเกียงแจาพายุเข้าไปถึงจะเข้าไปได้ไฟฟ้ายังไม่มีเหมือนทุกวันนี้สมัยก่อนนู้นน ะ, ะเข้าไป เสร็จแล้วก็ชวนกันไปนู่นไปดอยปุ้ยวัดหลวงปู่สิบ์ยังไม่ได้เข้าไปต่อนนะไปทะลุนก่อนจะเข้าไปเสร็จแล้วกลับมากลับมาก็ไปป่าจีนไปอรัญไปทางเขาใหญ่ไปทั้งสมัยก่อนเขาใหญ่ยังไม่มีพระเนยะยังไม่มีวัดเหมือนทุกวันนี้เขาใหญ่ไม่มีสำนักสงฆ์ยังเือนป่าเป็นไรอยู่ไปทางมุกเหล็กสลับรีไปทางชายปรดานออก ชัยภูมิป่ายังชุกอยู่แล้วไปก่อนเนี้ยมีเสือนะไปก่อนอยังไปอยู่ตามถ้ำกันก็ไปไปแบบงงอ่าพอไปแล้วก็ไปเจอพระเนยพระเยอะนายงในป่าในดงนะพระเยอะตรงองค์ท่านก็นทําความเพียรอย่างอุกฤษท่านไม่ได้ออกมาสงสิงพระป่าเนี่ยจะไม่ค่อยสงสิงกับญาติโ ย, ยมไปเจอพระเราก็เริ่มแปลกเราว่าอีอทาไมพระต้องมาอยู่ป่าอยู่เขาวัดมีทําไมไม่อยู่อ่า วิหารก็ไม่มีมีกฎมีแค่แตอนนั้นภาษารแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะท่านคุยธรรมะเยอะแต่งงในความโง่ของมันนะโยมโง่จริงยอมรับเลยโง่ามากเลยท่านก็พูดเรื่องสมาธิเรื่องนิมิตเรื่องเทวดานางฟ้าแล้วนะโยมก็งงนี่เทวดาจะมีหรือนึกเอาเองหรือเปล่าคิดอย่างนั้นจริงๆนี่ความโง่ของมันนะท่านก็พูดอย่างเงี้ย ที่ทําไมทางเป็นมันเดินกลับไปกลับมาที่แรกไม่รู้นะว่าถ้าเดินยังกลมต้องเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยไม่รู้อยู่ในถ้ำองคเดียวลุงพิพันธ์ลุงพิพัน์เนี่ยบ้านท่านอยู่ที่โคราชตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่แนะล้บวบวชวสกราบรวชกว่อนอาตมาหกปีหรือเจ็ดปีนี่แหละท่านก็ไปเที่ยวทางเขาใหญ่ทางลำมาลายไปเจอท่านท่านก็พูดธรรมะดีเทศ ด, ดีด้วยลุงพี่พันธ์เนี่ยคุยเรื่อง ภาพนิมิตต่างๆเกิดขึ้นตามถ้ำตามป่าก็งงฝั่งสองท่านคุยเสร็จแล้วตอนนี้ไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยกลับมาว่าโสกาลามเพื่อจะศึกพอมาดูปฏิทินอ้าอีกเจ็ดวันเข้าพรรษาพออีกเจ็ดวันเข้าปรรษาแล้วเนี่ยทำไงก็เลยคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่กับอะไรฝ่ายก็บอกว่าขออยู่อีกสามเดือนกันแล้กันนี่ พอเสร็จแล้วจิตเริ่มเปลี่ยนนะยมเชื่อไหมว่าเริ่มเปลี่ยนชักลักผาเหลืองแล้วจิตเนี่ยชักเริ่มลักลึกๆ ก, ก็เลยขออยู่อีกสักสามเดือนเมื่อสึกแล้วโอกาสที่จะมาวัดคงจะยากหน้าที่การงานลัดตัวตอนนี้พอดีวัดป่าภูริทัศเนี่ยสร้างปี 2,127 ปี 2,128 เนี่ยอาตมาบวช ปี2529เนี่ยทางวัดป่าภูริทัศน์เนี่ยลุงปูุติยเนี่ยเป็นประธานก็ให้อาจารย์ช่วยที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยไปหาพระที่วัดอโศกรามมาอยู่เพิ่มปีนั้นที่วัดป่าภูริทัศน์จะมีพระเจ็ดองค์แล้วลุงปู่เนี่ยอยากได้อีกสององค์ให้ครบเก้าก็ให้อาจารย์ช่วยไปรับพระที่วัดโศกรามสององค์เดิมทีเดียวเนี่ย มีหลวงพี่วิชัยกับวินัยที่รับอาสาไว้พอวันเข้าพรรษาจริงๆอ่ยพรุงร่งนี้เข้าพรรษาวันเนี้ยประมาณสักห้าโมงเย็นเนี่ยก็ไปรับพระสององค์วิชัยกับวินัยแต่พระสององค์เนี่ยไม่ยอมมาเราไม่รู้อิหนิหนี่ก็เลยมาคิดว่าเมื่อสององค์ไม่ไปเราในห น, นก็จะศึกแล้วไปอยู่ให้ท่านทักสองปีให้ สัปีนึงชักภาษาหนึ่ง <_ d ata> ก็เลยชวนเพื่อน <_ d ata> บอกกับพระที่ไปรับเนี่ย จ, จะช่วยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปท่านก็บอกว่ามีมีอีกพระองค์หนึ่งไหมบอกมีอลองไปชวนดูเราก็เลยไปชวนเพื่อนชื่อหลังสรรพพาโสเนี่ยไปไปอยู่กับหลวงปู่กันหลวงพี่ลังสรรพก็บอกว่าโอ้ยไปอยู่กับท่านไม่ได้หรอกหลงบู่เสียในดุตีพระติโยม ท่านว่ายอย่างงี้นะเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าตีนี่แสดงว่าต้องผิดจริงคุณบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ตีคนง่ายๆนะเราต้องมีความผิดจริงไปไปอยู่คนเพื่อนกันเท่ะนะเดี๋ยวกลับมาสึกก็เลยบอกอาจารย์ช่วยว่าไปผมจะไปแล้วเพื่อนไปองค์หนึ่งคณะก็มากันมาถึงที่วัดป่าภูริทัศน์เนี่ยปีสองพันหนึ่รอยี่เก้าเนี่ยมืดๆแล้วสักทุ่มแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเช้าก็ไปกราบหลวงปู่กัน อประเดิมเลยเสร็จแล้วลุงปู่ท่านรู้ความคิดที่ว่าอกีเนี่ยเช่าอยู่ด้วยกันนี่แหละท่านรู้เราเลยนะลุงปู่ทั้งที่เราก็ไม่รู้จากท่านนะท่านรู้เลยแต่เอเอเอาไงดีเอาก็เอาตอนนี้วัดป่าภูริทัศน์เนี่ยกฎกติกาของลุงปู่เนี่ยตอนเย็นฉันน้ําประมาณสักห้ามงเย็นแล้วทุ่มหนึ่งเนี่ยทําวัดทำวัดเย็นเนียทุ่มหนึ่งเลิกห้าทุ่มทุกวัน วันพระเอนนั่งภาวนาแจ้งนะโยมเชื่อไหมว่าพอถึงเวลาทำวัดเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยพอสวดบนทำวัดเย็นสวดพระปรลิษตเสร็จสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันมีตะเกียงโปะตะเกียงรูว่าเขาก็จะหลีไฟลงใช่ไหมมันตะคุ่มตะคุ่มพอหลีเสร็จเราก็ค่อยๆคยานออกคานออกไปนั่งข้างนอกพอดูนาฬิกาที่เอลเนี่ยอีกสักสิบห้านาทีเลิก ค่อยคานกลับเข้ามาโยมเชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยปีสองพันรอยเก้าเนี่ยความโง่ของมันเน่ทั้งยุงเอย่ยทั้งปวดขาเอย่ยไม่เคยนั่งภาวนาจริงๆโยมบอกให้เลยไม่รู้เรื่องเรื่องภาวนามาก่อนอ้าวเสร็จแล้วก็ก็เดินออกไปก็ทำอย่างนี้เนี่ยทุกวันไม่ว่าวันพระวันโกนเหมือนได้หมดปีสองพันรอยเก้ามีอยู่วันหนึง่ง ก็นั่งคุยกับพระที่บดทด้วยกันเนี่แหละว่าเดี๋ยวออกพรรษาจะสึกแล้วก็คุยกันอย่างนี้เนี่ยอย่างท่านทํางานอะไรเหลอมีแฟนหรือยังก็คุยกันอย่างนี้จริงๆรงโยมไม่อาโยมเรื่องจริงๆเนี่ยเหมือนผมมีแฟนแล้วเดี๋ยวผมสึกไปแล้วก็ว่าไปตามเรื่องของพระหนุ่มเนี่ยน้อยโยมเชื่อไหมว่าปกติลุงปู่เนี่ยเราบินท บ, บาบเสร็จกลับมาแล้วเนี่ยจัดอาหารใส่ถาดก็ประมาณสัก ใกล้แปดโมงก็ไปนิมนต์ลุงปู่จากกุติเนี่ยก็ถือย่ามถื อ, อปั่นน้ำชามาด้วยแล้วก็มันวางพอเราคุยวันนี้ตอนเช้าพูกเนี้ยลุงปู่มานั่งรอเลยรอที่อาสนะจะฉันข้าวตอนเช้าพอนั่งเข้าที่ท่านเนี่ยโยมเต็มศาลาแบบนี้เนี่ยท่านว่าไงรู้ไหมโยมอย่าเอาข้าวมาให้พระกินสวนพระใจเป็นเปเ็ด แดกหาข้าวชาบ้านเขายอมยมฟังไว้ได้ตลอดคุยกันสองคนยาวนะยาวเลยยาวกันี่เยอะอเราก็เลยมาคิดอย่างที่ลุงปู่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตูนพระช้เปรตแดกหา้าข้าวชาวบ้านเขายอมยาวข้าวไว้กินเราก็มาคิดในใจว่าเออก็จริงอย่างลุงปู่ว่าเนาะ ย, ยมเชื่อไหมว่าตอนเรียนหนังสือตําราของพระเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มนึง เขาเรียกว่าขี่หิปฏิบัติให้พระบวทใหม่ศึกษาเพื่อจะเอาธรรมะเนี่ยเอาไปใช้ในเวลาศึกเราศึกษาเฉพาะเล่ม น, นี้อย่างเดียวเ <Hey. S 1> พราะเดี๋ยวจะศึกแล้ว <Hey. S 1> <c oughs> จริงๆโยมไม่อายเลย <c oughs> การครบเพื่อนการหาเงินการมีเมียการเลี้ยงลูกจะทำยังไงบุคลิกเนี่ย <c oughs> พระเจ้าสอนหมดนะ <c oughs> อย่างผู้หญิงเนี่ยจะหาผัวเนี่ย พระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการดูผู้ชายเป็นผัวเราเนี่ยบุคลิกของคนที่มีความจริงใจเนี่ยเขาทำยังไงกันมันมีในในหนังสือเล่มนี้เพื่อนมิดแท้มิดเทียมมิดปอกลอกมิรประจบสอบพอ้อมมิดร่วมสุขร่วมทุกข์มีหมดคือหนังสือเล่มนี้มีหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าขีหิปฏิบัติพอเสร็จแล้วเราก็ศึกษาแบบนี้อย่างเดียวเรื่องเดินจงกมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของพระเขา ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ว่าเราจะต้องทําสมาธิแบบนั้นไม่ใช่แต่เรารู้แล้วว่าการบวชพระมาเนี้ยต้องทําแบบนี้เราก็ศึกษาเรื่องพุนโ ด, เดยเฉพาะหลวงปู่รู้เลยพอเสร็จแล้วพอหลวงปู่ท่านบอกว่าโ mm. <"Y> oh, ยมจะเอาเข้าวมาให้พระพุนี้กินเดกหาข้าวชาวบ้านเขาอะไรตัวเป็ดตัวพระจะใจเป็ดแต่พูดเยอะกันนี่นะโยมผู้หญิงจะฟังไม่ได้ <laughs> <laughs> เราก็เลยคิดว่าเออจริงเว้ ในระหว่างที่เราเป็นนักบวชอยู่เนี่ยมันน่าจะศึกษาเรื่องของพระก่อนเมื่อศึกแล้วเนี่ยค่อยศึกษาเรื่องชีวิตของโยมเป็นคราวะาก็ลองดูวันนั้นการภาษาแบบนี้แหละลองนั่งภาวนาสักตั้งหนึ่งโยมเชื่อไหมว่านั่งไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันทรมานมากหัวเข่าข้างขวาเนี่ยมันจะปวดสุดเลยปวดสุ ด, สดไม่ลุก บริการใหญ่เลยพุทธโตโตโตายแน่ตายแน่เจ็บไปแช่ล้วเราไม่มีปวดไม่มีมึงไม่มีกูนึกอย่างเงี้ยจริงตายตายตายตายตายพุทธโธหายนะตายตายตายตานึกอยู่ทีตลอดเลยโยนนึกมันแนบแน่นนะนึกถึงเราไปเผาศพศพยังไม่หนีนึกถึงอาสนะเราในว่างงั่นแหะไฟเผาตายตายตาตายโตโตโตมันย้ำเ้าเรียกว่าตะลุมบอลแบบชนิดที่ว่ามืดฟ้าโมดินเลยชนิดที่แบบ ตายไปตายอ่ะโยมเชื่อไหมว่าจิตเป็นสมาธิในวันนั้นปี2529กางมันษานั่งภาวนาเนี่ยจิตรวมลงมาเนี่ยเวทนาหายเงียบยุ่งกัดก็ไม่เจ็บปวดเข่าก็ไม่ปวดยุติการคิดเรื่องโลกทันทีนั่งภาวนาวันนั้นแจ้งเลยเนี่ยแจ้งเลย วันต่อไปก็นั่งเจ้งยุงกัดไม่เจ็บกัดเข้าไปใครด่าพ่อด่าแม่เนี่ยด่าไปเถอะเสียงเนี่ยมันไม่เข้ามาทางหูเลยมันไปกองอยู่ตรงนั้นหมดแดดเนี่ยตากเนี่ยเผาจนทองเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันไม่ไม่มีเวทนาเขาเรียกว่าปล่อยวางด้วยสมาธิเมื่อกี้ก็อยู่คุยกับโยมคนหนึ่งเนี่ยที่มันบอกปล่อยวางด้วยสมาธิไม่ต้องบริกรรม นั่งนั่งเฉยเลยแก่งอาหารในี่ยฉันนิดเดียวน้ำหนักห้าสิบห้ากิโลในยุคนั้นเดินขึ้นเขาในตัวปริวโยมเคยเห็นแม่ตัวสู ง, สงเนี่ยหัวยงหัวโ ต, วตวคอยย่ยาวอะ่ะผอมๆอะ่ะ <c oughs> มันอิ่มมันฉันนิดเดียวมันก็อิ่มเลยน ม, มันอิ่มอย่างนั้นเนี่ยยุงกัดก็ไม่เจ็บเวทนาเนี่ยไม่ปรากฏคำบริกรรมมันไม่เอาแล้ว แต่เรื่องโลกเมื่อกี้เนี่ยมันยุติการคิดจิตเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งไปตามอารมณ์เหมือนโลกโลกแล้วไม่มีแล้วอยู่อย่างเงี้ยจนลุงปู่เนี่ยท่านรู้แล้วก็เรียกไปคุยในภาษาเนี่ยแหละท่านบอกชาวยังเป็นสมาธิอยู่ไหมเป็นครับเราก็ว่า ย, ยางงั้นดีมันสงบมาแล้วท่านก็บอกเออทำแบบนั้นแหละ ตอนมันออกพรรษามันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องบริกรรมนั่งปุ๊บแจ้งทันทีลุงปู่ก็บอกว่าอย่าเอาแจ้งบ่อยนะเอาแค่เที่ยงคืนตีหนึ่งหรือสองพอแต่ข่าวใหญ่เนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันเป็นเองนั่งพุโทโธก็ได้ไม่พุโทโธก็ได้แต่จิตตอนนั้นเนี่ยมันไม่พุโทโธตุดเสียของมันตุดเสียนี่คือไม่พุโทโธนะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพุโทโธเนี่ยห้ามทิง้ง พอเสร็จเรียบร้อยแล้วออกพรรษาหลวงพ่อทองเนี่ยรูปท่านนั่งอยู่ในมั่งหลวงพ่อทองแล้วเปล่าเนี่ยมีภาพไหมหลวงพ่อทองจันทศิริวัดอโศการามตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดหลวงพ่อทองเนี่ยเป็นคนเย็บเย็บกีวรให้เราสมัยก่อนเนี่ยเย็บด้วยกันก่อนบวชตอนเป็นนาคอยู่ช่วยกันเย็บเราย้อมเองสมัยก่อนอยังไม่มีผาสีนะอ่ะ ย, ย้อมเอง เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าหฮ้เชาวบวชจริงเป่าวะเนี่ยเพราท่านอาจารย์บวชครับเฮ้ยไม่ใช่ตัดเยวรเกอร์นะเว้ยแล้วว่าทองท่านบวชเนี้ยใครเคยรู้จักว่าทองบ้างนะเคยได้ยินเนี่ยนั่นแหละท่านได้ก็บวย่ากนี้บวชข้าพเจอาบวชก่อนทศกัณฐสักก่อนสา ห, หนึ่งแต่กว า, างเงี้ยมันจะได้ไม่เกอร์ตัดจยวรเกอร์อายเขาว่าทองว่าอย่างงั้นอยาแต่ทันเองแล้วก็ยอม แต่แล้วตอนนี้อืมพอจิตเป็นสมาธิออกพรรษาหลวงพ่อทองให้คนมารับกลับวัดโสกร า, ามลุงปู่เรียกไปที่กุฏิก็บอกว่าเช่าไม่ต้องไปให้พระที่มากับท่านน่ะกลับไปเออชื่อลังสรรค์วัดโสชื่อเล่นชื่อหมูบอกให้ทัานกลับไปเช้ามาต้องกลับอยู่กับผมนี่แหละไอหมีมึงไปบอกหลวงพ่อทองเราไม่ให้ท่านเช้ากลับ ให้พระองค์นี่กลับไปแทนท่านให้กลับไปอ ef, ท่านก็บอกชาวถ้าอยู่ที่นี่ภาวนาไม่ดีอยากจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์อื่นถ้าเขาไม่รับเดี๋ยวผมจะฝากเองนี่คือหลวงปู่พืออย่างนั้นเสร็จเราเราบอกอ่ยังงี้มันกลับไปอยู่บอกพระทองก่อนแล้วกันว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่เดี๋ยวว่าหลังกูจะไปอธิา ม, มาก็ว่างงี้นี่หลวงปู่ก็บอกชาวไม่ต้องเสร็จ พอกลับไปแล้วเนี่ยโอ้โหพอบอกไม่ไม่ต้องฝึกใจแป๊วเหมือนกันนะท่านพูดอย่างเงี้ยชาวว่ต้องฝึกไปไปทางเหนือนั่นแหละทางเหนือภาวนาดีอ่ะไอเรามันแก่ ซ, ซะแล้วไปเล่งเลยอย่าไปสูงสิงกับคนเร่งอยู่ในป่านั่นแหละทางเหนือภาวนาดีตอนนี้เร่งเลยเราภาษาให้น้อยเนี่ย เดี๋ยวต่อไปเธอภาษาเยอะเนี่ยโยมมันใช้จนตายนันแหละโยมอุงปู่พูดอย่างนี้เราก็เลยก็บอกบอกแฟนนะนะบอกแฟนก็บอกว่าแต่ไม่พูดเรื่อง น, นี้นะพูดว่าเดี๋ยวลุงปู่ท่านให้ไปท่านเหนือก่อนเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยสึก<อ>ก็ไปว่าอะไรเนาะก็เขาไม่รู้หรอกว่าลุงปู่ให้สึกตอนนั้นแฟนก็อายุสิบสิบเจดแล้วสิบเจ็ดเรายุยิบเอ็ดเราก็เลยเอ้า แต่แฟนีรู้จักกันตั้งแต่ยุคสิบสามนะสบาบ้านอยู่ทังสิตเนี่ยหลังโรงงานกุเทียฝั่งนู้นนะบ้านก็อยู่ฝั่งนู้นเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยขึ้นไปทเหนอกันในระหว่างที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยโยมใช่ไหมว่ามันยุติการคิดแบบโลกโลกมันลืมไปหมดนะเรื่องการคิดแบบโลกโลกเนี่ยมันหยุดแต่มันหยุดด้วยสมาธิ ติดสมาธิแบบนี้สามปีเต็มๆไปเสื่อมที่วัดอาจารย์นพดลเน่ยยมรู้จักอาจารย์นพดลไหมที่วัดดอยลัตนกนาแพงเพชรที่ตอนนี้กำลังสร้างเจดีป่องหนึ่งเนี่ยให้ทันชูเป็นคนดูแลไปเสื่อมเดือนเดือนกุมภากลางเดือนกุมภาปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าในระหว่างที่จิตเป็นสมาธิเนี่ย เราไม่คิดว่ามันจะเสื่อมเพราะไม่รู้จักจริงๆความโง่โยมความโง่เนี่ยในระหว่างที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันต้องฝึกเดินปัญญาแต่พอจิตเป็นสมาธิจริงๆปุ๊บเนี่ยมันเห็นการนึกคิดปรุงแต่งเป็นทุกข์แหมใช่ไหมตอนการนึกคิดปรุงแต่งเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันเอาเรื่องของโลกมาคิดคิดแล้วยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นได้ น, นี่ เนี่ยมันเลยสับสนพอไม่ได้มันก็คิดเรื่องอื่นต่อไปอีกมันไม่หยุดพอจิตมันเป็นสมาธิเนี่ยมันก็เลยคิดว่าไอ้ความคิดตัวนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เขาเรียกว่าลงสังขารความคิดตัวเนี้ยแต่ในระหว่างที่จิตเป็นสมาธิใหม่ๆเนี่ยมันไม่ยอมคิดมันเต็มสุขที่บอกว่าคําไม่คําบริกรรมมันหายเนี่ยมันหายเพราะสมาธิมันไปข่มไว้นี่ไง แล้วจิตเสื่อมเสื่อมตอนกลางวันเนี่ยกลางเดือนพฤกษ์กุมภาที่จังหวัดกำแพงเพช ร, ร, าารปรจันทบุรีโดนขอบบ่อใกล้ๆสล า, านะเดี๋ยวถ้าไปวันหลังอหชีด้ดูตอนเที่นนยงๆนะจิตเสื่อมข อ, ของของปีนั่นแหละพอจิตเสื่อมปุ๊บเนี่ยถึงได้รู้ว่ามันเสื่อมนะอีตอนมันเสวยไม่รู้ไอความโง่ของมันนะโยมไม่รู้จริงๆพอจิตเสื่อมเสร็จปุ๊บ กลับมาปทุมกลับมาหาลุงปู่เลยบอกท่านอาจารย์ครับก็กลับเรียนอาจารย์เทพบดลก่อนว่าเดี๋ยวผมจิตเสริมแนละวเดี๋ยวผมไปปทุมก่อนตอนที่จิตสมาธิไม่รู้นะไม่รู้เลยเพรความง่วงมันเนะี่ยเสร็จแล้วก็กลับมาลุงปู่ก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งให้เราโยงเคยอ่านหนังสือหลักใจไหมหลักใจของหลวงตาเนี่ยหนังสือหลักใจอันเนี้ย เป็นหนังสือที่อาจารย์สุดใจลอกจากเทปมาเป็นประวัติย่อของหลวงตาต้องปกเนี่ยจะเป็นรูปพระประธานในทาลานั่นแหละเล่มนั้นแหละหนังสือหลักใหญหลวงปู่เนี่ยเอาหนังสือเ ล, เล่มนั้นมาให้อ่านตอนที่กิจเสื่มใหม่ๆอ่านไม่ได้มันเบอร์เคยนั่งสมาธิแจ้งๆเนี่ยมันหายไปแล้วมันไม่ได้แล้วมันร้อน จึงเข้าใจว่าจีวรร้อนเนี่ยนั่นแนละคืออะไรเพิ่งเข้าใจว่านั้นเลยนะปีสองพัรอยสามสิบห้าจีวรร้อนมันคิดเรื่องศึกเนี่ยร้อยเเซ็นเลยแล้วอะไรเกิดก่อนยมได้ไหมราคะมันพุ่งเสนอหน้าขึ้นมาเลยตัวเนี้ยจะเด่นมากเลยที่เรียกว่าไม้ทับหินย่าไม้ทับหญ้าหินทับหญ้า อะ ห, หินทับหญ้าอะไรต่างเนี่ยนั่นแหละตัวนั้นแหละมันข่มไว้ด้วยสมาธิโดยที่เราไม่รู้ตัวพอจิตเสื่อมมาเลยหลวงปู่เอาหนังสือหลักใจมาให้อ่านเพราะว่าหลวงตาเนี่ยจิตเสื่อมสามครั้งสมาธิท่านเสื่อมสองสามครั้งลองไปอ่านดูจิตเสื่อมแต่ละครั้งเนี่ยทํำความเพยียรเนี่ยมันต้องหนักกว่าเก่าทุกครั้งไปถ้าเกิดเท่าเก่าไม่ได้สัญญาอารมณ์บรรู้แล้ว มันไปขวางกันอีกมันรู้เท่าทันแล้วมันต้องทําให้มาเก่าๆที่หลวงตาท่านบอกว่ากิจเสื่อมเนี่ยเหมือนเศรษฐีตกยากสู้คนหาเช้ากินค่าไม่ได้จริงๆคนหาเช้ากินค่าเนี่ยเขาทุกข์จนชินแล้วแล้วเศรษฐีตกต่ําำคิดดูว่ามันเหมือนมีเงินสิบบาทสุดท้ายคนที่มีเงินพันล้านเนี่ย เหมนสิบบาทสุดท้ายแล้วกินข้าวแล้วหมดวันนั้นเลยแล้วหิวอีกไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนบ้านก็ไม่มีแล้วรถก็ไม่มีแล้วที่อยู่ต่างๆนาน า, น า, นานไม่มีแล้วเนี่ยมันจะทรมานมากนะแต่คนหาไปกินไปนอนข้าวถนนตอนนอนกระท้อไม่ไผ่อะไรมันปกติถ้าเทียบให้ฟังนะจริงๆแล้วทุกข์กับนั่นหลายร้อยหลายพันเท่าอาตมาบอกให้เลยว่ามันทุกข์จริงๆเนี่ยทุกข์จริงๆสู้ภาวนาะไม่เป็นจะดีกว่าอีก ประมาณมากเคยนั่งภาวานาแจ้งแจ้งเนี่ยหายเงียบมันตีกลับเลยพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมนระหว่างนั้นกลับมาปทุมลุงปู่ก็บอกว่าเอา้าชาวเอาหนังสือนี้ไปอ่านมันอ่านแล้วมันเบื่อมันคิดจะศึกแฟนมาเลยมาเลยนะโยมคิดดูไม่ได้ติดต่อกันเลยสี่ปีเนี่ยมาวันแรก กับวันววดกับวันที่จะศึกก็คือปีสองพันรอยี่แปดออกภาษาเอาเสื้อผ้ามาให้อตอนนี้หมู่พะกันก็บอกว่าก่อนศึกไปเที่ยววันก่อนก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนแล้วให้กลับมาศึกอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> คือคิดแค่นี้แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยอืมไม่เจอกันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมากระทั่งถึงกิตเสื่อมมาเลยอืมเป็นงี้นะยมมันมันโ ห, หน่ากลัวมากเรื่องเนี้ยเสร็จแล้วมาเข้ามากันนาเขา พอดีคนคนหน้าวัดป่าปุริทัศเนี่ยไปทำงานที่โรงงานเดียวกันกันกบหน้าเขาก็เลยรู้เลยว่าเรามาอยู่ที่วัดป่าปุริทัศแล้วก็ไม่เคยมาโนะยมไม่เคยมาเลยพอจิตเสริมวันนั้นมาเลยโยมเชื่อไหมว่ามาทรมานขนาดไหนว่าเพราะเห็นหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเหล็กแล้มแหลมลมาทิ่มเข้าไปในหัวใจอ่ามันทรมานใหญ่เป็นได้ใช่ไหม มันเหมือนกับเหล็กแหลมอะมันแทงเข้าไปในหัวใจอื้มมันบอกให้ถูกนั่นเนี่ยมันมันทรมานขนาดนั้นเกิดมาเพิ่งเคยเป็นนี่ไม่เคยเป็นนี่คือจิตเสื่อมเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยขอเขาขออีกปีหนึ่งก็แล้วกันสึกเนี่ยเพู่ดใครอย่างตรงตรงเนี้ยจิตมันไปทางสึกเลยไงเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวขออีกปีหนึงก็แล้วกันก็ถามเขาว่ามีแฟนหรือยังบอกยังรออยู่ บอกเอออย่างนี้จริงจริงไม่ใช่คุยสองคนนะมีคุยกันหลายคนมากอะไรคนก็ถามกันอย่างนี้แหละบอกเออขอยห้ปีนั้นกันแล้วกันเขากลับกลับบ้านไปใจเริ่มโลเลแล้วมาตีกลับเสร็จแล้วก็เลยไปกราบเรียนหลวงปู่นะอาจารย์ครับปีนี้ผมขอไปจศาศาศาดมันทุ่งได้ไหมหลวงปู่ก็บอกว่าเออปีนี้พระเยอะ ปีสองพันห้าร้อยสาสิบห้าเนี่ยพระเยอะงั้นผมขอไปจำพรสารที่สามบุรุษกันแล้วกันไปแต่นี่ก่อนที่จะไปสามบุรุษเนี่ยเดิมทีเดียวมันลําบากอยู่แล้วแล้วมันทรมานอยู่แล้วไปทางจันทบุรีก่อนก่อนนั้นไปวัดอย่างละหงที่อําเภ อ, อเขาระบายสีถ้าใหม่โยมรู้จักไหมเสร็จแล้วก็ไปวัดอาจารย์ฟักวัดอ่าวัดเขาน้อยสามผาน ไปแล้วไปดูมันก็ไม่น่าอยู่ออกเสร็จแล้วก็ไปวัดวัดธรรมสถิตวัดท่านจำชินไปดูแล้วก็ไม่น่าอยู่ก็เลยขึ้นไปดอยนะก่อนที่จะไปสามัทุถงเนี่ยไปดูทางนี้ก่อนแต่ขึ้นไปตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งร้อยยีิบเก้านะใกล้ๆข้าพันศาแล้วกลับไม่ได้จำภาษาตอนนั้นออเสร็จแล้วเราก็เลยเลยของปูะไปจำภาษาสามรทถุก็ไป ยอมเชื่อไหมว่ามันไม่ได้คิดเรื่องจะอยู่เป็นนักบวชเลยคิดแต่เรื่องสึกอย่างเนี้ยมันปั่นป่วนขนาดนั้นน่ากลัวมากจิดก็เลยคิดว่าเร า, านะ้ยปีนี้ศึกแน่แต่ขอภาวนาทิ้งทวนโยมก็ถามโยมกันว่าจิดขึ้นมาได้ยังไงอ่เดี๋ยวจะเล่าใฟังเสร็จแล้วปงใจเลยว่าปีนี้ขอภาวนาทิ้งทวน กระปูก้อนใหญ่ๆเก็บไว้ไปเก็บตามห้องน้ำเอามาแปะกันบางๆแปะแปะแปะแล้วขยี้เอาแบบนั้นใช้ยาถีฟันไปหาหลอดเก่าๆที่ก็ทิ้งมาบีบใช้ใหม่ๆไม่เอาทุกอย่างเนี่ยเก่าหมดเลยเสร็จแล้วก็เจีวรวเนี่ยข่มซ้อนทุกวันนุ่งสมบงข่มชจีวรซ้อนสังคาติบินระบาต ซ้อนสองชั้นทวดงควัดทําให้ครบทุกข้อเลยปีนี้เป็นปีสุดท้ายเทวดงควัดบินบาทเป็นวัดฉันเมื่อเดียวเป็นวัดน่งอาเสด็จเดียวเป็นวัดไมบรับพัดตามส่งถือผ้าสามหุนเดินจงกรมทุกวันเพราะเดียวสึกไปแล้วโอกาสจะทําแบบนี้ไม่มีแล้วนั่งภาวนาทุกวันแล้วบนทุกบทสวดให้หมดอรัตนสินห้าสินแปดรัตนาพะระผลิต พรวนให้หมดทุกอย่างเลยพรวนให้หมดแล้วฉันข้าวได้น้อยฉันได้บาทจังเดียวจะฉันเยอะฉันเยอะเดี๋ยวเป็นหนี้เขาธรรมาหากินไม่รวย <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้จริงๆเ <c oughs> น <c oughs> ี่ยสวดมนต์เนี่ยทุกบทอาทิตย์อนัตธรรมจัดธรรมนิยามโพชงแล้วเจตจำนาในศรตจำนานาเนี่ยสวดได้เยอะมากเลยสวดให้หมดโดยจงกรมทุกวันย้ายขาด เชา้ากลางวันกลางคืนทมวัดเช้าทมวัดเย็นไม่ขาดก่อนนั่งปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังท่องผ้าทุกผืนโดนตัวปฏิสังคายโยนิโซซนสจีวัปงปริปเสวามิท่องทุกผืนฉันน้ำแก้วหนึ่งก็ต้องท่องก่อนฉันนั่งเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นไม่ใช่ท่องเฉพาะตอนเย็นนะเช้าถึงเที่ยง ไปสังโยเที่ยงไปกลางคืนอัชมยาถ้าทุกผืนที่โดนตัวท่องทุกครั้งน้ำฉันทีไรท่องทุกครั้งก่อนฉันท่องให้หมดเก้าอี้เตะจะนอนจะนั่งท่องทุกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นนี่ตกคร้างแล้วโยมคิดดูว่าน้ำหนักเนี่ยมันได้ถึงหกสิบได้ยังไง ห้าสิบกว่าว่า น, นเองเนี่ยผอมตัวต้องสูงคอยยาวๆอย่างนั้นเลยจริงๆนั่งภาวนาทุกวันเดินกรมทุกวันบิณฑบาตมองโชแอกเดียวฉันข้าวแก้มไม่ตุยไม่พูดไม่สมบัตสมบั ต, บตมือพางฉันไปคุยไปแลบลิ้นไม่อาปากไวรอท่าเสกียวัดทุกข้อทำครบบริบูรณ์ทุกข้อเกาหมดเลยเพราะว่า เขาเรียกว่าภาวนาทิ้งทวนเดี๋ยวที้สึกแนละ้วเพราะโอกาสที่สึกไปแล้วเนี่ยจะมาทําแบบนี้อีกไม่มีอีกแล้วถ้าเกิดวันหน้ามีครอบครัวเนี่ยมีลูกผู้ชายเราก็ไม่ต้องไปบอกให้มันบวชให้เราล ะ, ะเราก็จะบอกว่าไปถามแม่มึงกันแล้วกันนะคิดอย่างนี้กันนะ <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้จริงๆเอาเลยเราตอนเนี้ยภาวนาเป็นครั้งสุดท้ายปี2500 สามสิบห้าสองแปดสองเก้าสามสิบสมสองปีสามสองสามห้าสร้างศาลาสามสองปี 2, 2, สอง พ, พันร้อยสามสิบสอง่าจำผิดเมื่อกี้เนี่ยสามห้าไม่ใช่ไม่ออกสามห้าออกส <c oughs> 2ม <c> ส <oughs> องเสร็จเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยภาวนาทิ้งทวนพรุ่งนี้เช้ า, เาออกบรรษาสึกแน่นอนเตรียมแล้วนะเตรียม ึกแนละภาวนาเพื่อจะสึกนโยมไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะอยู่เป็นรักบวชนะ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คืนสุดท้ายมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นไอ้กุฏิเนี่ยมันเป็นกุฏิไม่ไผ่เก่าซอมซ่อแล้วว่าเพราะว่าพระเขาอยู่มาแล้วสองปีเราไปไปที่สามกุฏิมันเริ่มผุแล้วจิตในระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเรานอนฝันแต่มันไม่ได้ฝัน เราคุยกันแบบลูกศิษย์กนแล้วกันเนาะเป็นนิมิตอันหนึ่งเกิดขึ้นมันเหมือนกับเรานอนลืมตาแล้วก็มีเถาวันสองเถา์ขึ้นไปตรงหลังคาอีกเถาหนึ่งออกดอกสีขาวอีกเถาหนึ่งออกดอกสีม่วงลักษณะเราก็นอนลืมตาอยู่จีวร น, นี่ก็หอมนะจีวรเนี่ ย, นนยทุกวันจะไม่ขาดเพราะว่าศึกแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาโดนตัวเราอีกแล้วเนี่ยไม่มี ผมนอนถ้าผมไม่เอาทิ้งทวนเลยเนี่ยผมจีวรเหมือนเดิมเหมือนกับเราหม่มเฉวยงบาเสร็จแล้วก็นอนกุฏิหลังนี้เรามาจำพรรษาเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วดอกไม้เ่าเนี้ยมันขึ้นมาได้ยังไงเราก็เออมองดูสักเดียวหนึ่งภาพแล้วก็ดับปึ๊บเราก็ยังนอนอยู่นะนอน แล้วภาพมันหายไปไหนกิจวิตกขึ้นมาว่าสงสัยเทวดาจะดีใจล่ืมัง้งเรามาจำสาให้เขาที่นี่เท่านั้นเองโยมปัญญาเนี่ยมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วตวเรวยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงความรู้มันเกิดขึ้นเขาเรียกปัญญายานตัวเนี้มันรู้ถอยหลังไปไกลมากรู้เดินหน้าไปไกลมาก นึกถึงใครเลยไ้มนึกถึงพระพุทธเจ้าคืนตัดสรอวะที่ใต้ต้นพระสีมหมาโพนึกถึงตรงนั้นเลยว่าอาสวะคยายานเกิดขึ้นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยนี่คือวันนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงเทศธรรมจักเพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยท่านเป็นพระหันพระเทศอนัตตระคาราสวดพอเราคิดว่าทาไมอย่างเนี้ย ความเข้าใจมันเกิดขึ้นเลยมันจะอ๋อหมดเลยถึงเทศอนัตตะคณะสูตรก่อนปัญจลคีร์ทั้งห้าก็ไม่สามารถจะตัดสุลได้ต้องเทศธรรมาจักรก่อนนะถูกแล้วจิตมันหมุนเนี่ยยมเชื่อไหมว่าวันนั้นเนในโลกเนี้ยไม่มีคําว่าบังเอิญโชคดีไม่มีโชคร้ายไม่มีไมม่ีโชคดีไม่มีโชค ล, า ย, ชคชคลายนะทุกอย่างมีเหตมุมีเหตุ ที่เราทําไว้ส่งผลรูปหน้าหน้าตาผิวพรรณนิสยัยรวยจนโง่ฉลาดบีญเหตุทําไมกินเค็มไม่ได้ทําไมกินหวานไม่ได้ทําไมไม่ได้เนี่ยมุเหตุให้มาให้ไปทําไมมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นฝูงทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเหตุที่พวกเราทําไว้แล้วมันก็ส่งผลดวงไม่ดีไม่มี คำว่าดวงใช้ไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมไม่มีนี้บังเอิญไม่มีบังเอิญไม่มีนะในโลกเนี้โชคดีไม่มีโชคลายไม่มีมันเป็นเหตุที่เราทำไว้แล้วก็ส่งผลอย่างนี้จริงๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นครูบาอาจารย์ทบุญไม่ทาบุญวิเหตุเหตุตุปัตยโย เราบอกให้เลยว่ า, าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยจะเกิดอีกตัดทะลุอีกก็ต้องที่อินเดียเท่านั้น<ม>ที่อื่นไม่ได้ที่เดียวกันแต่ต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนไปมันหมุนนะหมุนไปไกลแสนไกลเดินหน้าถอยหลังได้ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้มันก็จะเป็นมันอย่างเงี้ยในโลกเนี่ยไม่มีสวยไม่มีงาม ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีเสียไม่มีได้เราคิดไปเองของมันคนเดียวนั้นแหละมันจะเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นบางครั้งเราคิดว่าทําดีเนี่ยกิเลสพาคิดนะไม่ใช่ธรรมะพาคิดนะเราคิดว่าดีแล้วนะจริงๆมันชั่วไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะจริงๆโอเนี่ยมันคิดอย่างงี้เลยว่า คำว่าเกิดมาแล้วไม่ทำความชั่วเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีออไม่มีถ้าเราบันดีจริงเนี่ยมันจะไม่เกิดมาเวียนทุกข์เวียนยากเวียนลำบากอีกมันไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วแต่นี่คำพูดที่ว่าเกิดมาใช้กรรมถูกอยู่ใช้กรรมไม่ใช่อยู่เพื่อสร้างความดีสร้างบารมีให้ตนเองนะ ไม่ใช่ใช้กรรมอย่างเดียวนะมาสร้างความดีสร้างบา ร, รมีให้ตนเองให้สูงขึ้นแต่บางเอญพญามาันมั น, ม, นมันอยู่ใกล้เราเกินไปแล้วเราก็เชื่อมันตลอดเออตรงนั้นแหละมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นลูกน้องของพญามานเนี่ยเห็นหมมันก็พาไปไหนอ่ะพาไปสร้างบาปอาโกษ์ชรพัฒ์ที่มันจะกล่อมเรา แต่พอจะมาทําความดีปุ๊บมันก่อมอีกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปวัดตัวนี้เรายังหนุ่มยังแน่นยังไม่แก่ยังเดินได้ไปเที่ยวไหนมาไหนได้เฮ้ยวัดไอ้อทีหลังนก่ <c oughs> อมเรานะเดีย๋ยวเพิ่งไปอโลกนี้ยังมีสีเวลาสวยงามอยู่เดี๋ยวรอให้แก่ ก, ก่อนมันแก่ขนาดนี้ยัง ม, มีใครอยากจะไปหนุ่มๆมั น, ม น, มนยังอยู่ไม่ได้โยมคิดดูแล้วแก่มันจะไปทําอะไรไปเกะกะหรือเปล่า มันเป็นจริงๆงนะนี่คือการทำความเพียรของเราย่อหย่อนเพราะอะไรเราเชื่อพญามาร น, น, น, น, นั่นแหละคืนคืนวันออกพรรษาปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองจิตมันหมุนทำไมไม่เกิดกับแม่คนนี้อ๋อมันเร็วมากนะลองวกไปฟังธรรมที่หลวงตาสั้นเทศแบบปัญญาปัญญาสายพาราเรนั่นแหละตรงนั้นแหละปัญญาตรงนั้นเนี่ย จริงๆฟ้าแรบเนี่ยยังช้าอยู่ปัญญาตัวนั้นน่ะเร็วกว่าแต่มันเทียบให้เราฟังได้เนี่ยปัญญาอย่างพวกเราเนี่ยคล้ายๆอะพอจะเทียบเคียงได้แต่ความเร็วของปัญญาตัวนั้นอะมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบนั่นเนี่ยท่านเนี่ยมันจะอ๋อๆไล่ตามเลยทาไมพระพุทธเจ้าให้ป่งผมอ๋อทําไมถ้าราะทไมนิดเดียวมันอ๋อเลยมันฟลิปอย่างงี้เลยมันพุ่งไปเลยแล้วมันควารู้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องกลับมาคิดอีกแล้ว มันไม่ต้องมาเกสาโลมาหน้าขาด้านตาตาโจไม่ต้องมันฟุบไปทันเดียวเลยไปทีเดียวเลยเนี่ยปัญญาตัวนี้แหละปัญญาสัมพยุตปัญญาสัมมยุตมันเกิดขึ้นในนั้นเขาเรียกว่าปัญญาญานเนี่ยตามความเจริงตามหนังสือนะแต่จริงๆตัวเนี้ยมันเร็วมันเร็วมากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเหตุมีผลท่านทําอะไรเนี่ยท่านไม่ใช่ทําเพราะ คามอยากอย่างพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยมันอยากได้ได้มาแล้วเอามาทําอะไรยังไม่รู้เลยแช่ไหมมันก็ทําให้ชีวิตเนี่ยสับสนอนรมานผิดบ้างถูกบ้างชั่วบ้างดีบ้างหัวเราะมั่งร้องไห้มั่งมันเลยม่วไปหมดมันก็เลยกลายเป็นคนคนไปบ้าบ้าไปเลยมันมั่วจนไม่รู้ว่าคนไปกี่รอบกี่รอบมันก็ยัง ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เรื่องในราวอกีกคนจะเละเทะหมดเลยคําว่าคนเนี่ยคือคนเละเทะนะไม่ใช่คนให้ดีนะไม่ดีจริงๆอ๋อตรงนี้นี่เองคนเรามันดีได้เพราะธรรมะนี่นะเนี่ยต้องอาศัยการฝึกขัดขัดเกาถ้าคนเรายังไม่ไม่ได้ฝึกขัดขัดเกาเนี่ยอย่าเพิ่งไปหลงว่าตัวเองดีอ๋อมันต้องดีตามผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาทเขาบอก แต่พวกเราเนี่ยรู้เพราะว่าเดาเองว่าเราทำดีแล้วมันไม่เหมือนกันเักเกียรติไหต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำสิ่งนี้ดีจงทำสิ่งนี้อย่าคิดสิ่งนี้อย่าพูดสิ่งนี้เราต้องทำตามนั้นแต่พวกเราเนี่ยไม่เคยคิดแบบนี้เลยไม่เคยคิดคิดเองเออเองทำดีมากแล้วแน่ทำดีไม่ได้ดีอีกเอ้าอันนี้ใช้ไม่ได้ มันคิดเองพอที่เฉยว่าทําดีว่าดีาดีเนี่ยเราคิดเองคนเดียวแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทําดีตามที่พระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตบัณฑิตคือใครก็คือผู้รู้มีพระอริยะเป็นต้นพระอริยะคือใครก็คือผู้ที่สิ้นอสวกิเลสเห็นไหมก็คือใครพระรหัส น, นั้นเองแล้วพระรหัสถึอยู่ที่ไหนอตอนนี้ยเป็นเรื่องแล้วเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหัเนี่ยเราศึกษาในตําลา อ่าไม่อยู่แล้วเนี่ยศึกษามาแล้วก็เทศดูมันถึงจะรู้นะเราต้องทําด้วยเดินเดาไม่ได้อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้รู้เนี่ยพึงรู้เฉพาะตรงผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ได้อ๋อปั จ, จตังเววิตาโพวินยุหิอันวินยูชนพึิปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองอ๋อตรงนี้เองเนี่ยมันไปอ๋อที่หลังมันออกที่หลังเรียนมานะอ่านมาแต่มันไม่เข้าใจเออ เพราะจิตมันเปิดปุ๊บยอมเชื่อไหมว่าถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะรู้เนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้อย่าบังคับให้รู้ถ้าบังคับให้รู้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะประสาทเสียพอรู้้วยตามสัญญาอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมแต่ถ้ารู้ด้วยความจริงแล้วไม่ลืมตัดคอไปไงก็ไม่ลืมเนี่ยความจำมันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะไม่ลืมถ้าจาด้วยสัญญาอารมณ์แล้วจะลืมไม่มีทางลืมได้เลย อ้อตรงนี้เองเพราะฉะนั้นอาณิสงองของการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงสูงมากเลยสูงมากเขาเรียกว่าสัมปยุตตรงเนี้ยสัมปยุตทําไปไเรื่อยๆอย่าไปเร่งรัดมันว่ต้องรู้วันนั้นต้องเข้าใจธรรมะวันนี้ไม่ต้องทําไปได้เรื่อยเหมือนกับเรากินข้าวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ทัพพีนะไม่ใช่ทัพพีเล่มใหญ่ๆนะใช้ช้อเนเ ล, น เ, ลเล็กตักทีละเล็ก พีละน้อยกินไปเรื่อยเดี๋ยวมันอิ่มแล้วมันก็รู้ของมันเองัก็เลยธรรมะก็เช่นเดียวกันให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างจเจริญเมตตาภาวนาบ้างเนี่ยทําไปเรื่อยๆําบริกรรมในทิ้งไม่ได้จริงๆเพราะตอนจิตเสื่อมเนะ่ยรู้เลยมันถอยหลังกลับไปอะติดสมาธิสามปีมันไม่บริกรรมนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําบริกรรมเนี่ยอัตมายืนยันให้เลยว่า อย่าขาดอย่าทิ้งบริการมไม่ไ้เรื่อยว่างาอะไร่บริการเมื่นั้นงานก็ทำไปปัญญาก็ใช้ไปสลับกันไปปัญญาเนี่ยคืออะไรพิจารณาไตรตรองพิจารณากายเป็นหลักกายเราเนี่ยให้รวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องทำอย่างนี้เมื่อเรามองไม่เห็นกายเรามองวัตถุสิ่งอื่นแล้วน้อมเข้ามามองเห็นคนอื่นเขาตายหมาตายไก่ตายเขียดตาย นึกถึงเรื่อยๆแล้วก็น้อมเข้ามาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนเขานี่นึกอยู่นี่เนี่ยเห็นเขาพัดภาคเราก็ต้องน้อมว่าเออวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพัดภาคสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจเหมือนกันไม่ใช่เขาอย่างเดียวเราก็เป็นได้คิดอย่างเงี้บ่อยๆคิดมากๆแล้วก็กลับคําบริกรรมสลับไปทําแบบนี้จนชํานาญแล้วเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกปัญญาสัมปยศตัวเนี้ยมันจะเข้าใจของมันเอง จากที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอกินข้าวทีเล็กเทน้อยช้อนเล็กช้อนน้อยกินไปเรื่อยเนี่ยพอมันอิ่มแล้วมันก็จะรู้ของมันเองไม่ต้องไปถามใครเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจิตเนี่ยพอฝึกอบรมมาดีปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยปะระวางเนี่ยมันจะสิ้นทุกได้อ่ะจริงๆอหมไปงั้นจริงๆมันขาดมันขาดเครื่องผูกมัดลุมรัสมันไม่ยึดติดเนี่ยมันไม่ยึดมั่นมันไม่ถือมั่น มันมองเห็นสรรพสิ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดมันไม่มีหญิงไม่มีชายนะมันไม่ดีไม่มีเสียแล้วเรานี่แหละเป็นเป็นคนสําคัญให้เขามันยังเกิดเป็นเขาเป็นเราเป็นตุนึงเป็นลึงเป็นกูเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะเราไปนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็ไปยึดตัวกับตัวคิดตัวนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดภพเกิดชาติเกิดชะลามรณะโศกาวิเทวาเนี่ยจากตัวนึกคิดปรุงแต่งแล้วไม่ปล่อยปะละว่างนั้นเองมันไม่ว่าง คิดเรายึดค hmm. ิดเรายึดแต่ผู้ร <away partnership> <maybe> like ู <forward> God, here, ้เ right? น yes. ี่ยคิดแล้วปล่อยคิดแล้วปล่อยไม่เหมือนกันคิดเรายึดกับคิดแล้วปล่อยเนี่ยคิดเรายึดเนี่ยทุกคิดแล้วปล่อยจะทุกได้ยังไงเห็นไหมมันคิดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันการกินของพระอริยะกับกินของพวกเราเนี่ยมันคนละเรื่องกันใช่ไหมเรากินเพราะความอยากแต่พระอริยะกินเพราะเพราะอะไรเพราะดับเวทนาเท่านั้นเองเพราะพระทางชิตให้เป็นไปได้ ไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกหัดขัดเก่าแล้วอย่าทิ้งอย่าทิ้งผู้รู้ใครคือผู้รู้กะครูครูบาอาจารย์ก่อนจึงทำผู้รู้ให้เกิดในตัวของเราเองให้ได้ผู้รู้เกิดจากอะไรในตัวเราทำยังไงก็คำบริกรรมนั่นเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญา กับคําิรกรรมเนี่ยทิ้งไม่ได้บอกให้เลยพุทโธในที่สุดการันตีให้เลยว่าพุทโธเนี่ยสุดยอดนะภาวนาไม่ได้ถ้าเกิดเราตายไปกับพุทโธเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนการันตีให้เลยอย่าไปคิดเรื่องอื่นก็แล้วกันพุทตธตะตะพุทตะทโยอยู่างนี้เนี่ยทําให้แนบแน่นไปอย่างนี้เนี่ยเราประกันได้เลยเพราะฉะนั้นที่ยกบาลีมาว่า สุขขาสังฆาะสามคัคีเนี่ยเราพร้อมเพียงกันเนี่ยนำสุขมาให้การพร้อมเพียงช่วยกันทำงานช่วยกันคิดช่วยกันทำให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยคือสามคัคีพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันประชมุมมีปัญหาช่วยกันแก้ไขปรึกษาให้เลยกันมีครูบาอาจารย์อยู่เราภาวนาแล้วไม่ดีหรืออยากจะไปภาวนาครูบาอาจารย์วัดไหนที่เราเคยไปทำบุญมาเนี่ย ลองไปดูว่าจิตของเรากับท่านเนี่ยถูกกันไหมสถ า, านที่แบบเนี้ยดีไหมเราทำแล้วจิเราจเจริญก็ น, น้าไหมค่อยๆไปค่อยๆ ค, คิดมันต้องมีดีที่หนึ่งจนได้เนี่ยไม่ใช่เลือกไปเลือกมาไม่ดีทักที่ไม่ใช่นะเราเองมาเส้นเนี้ยเราเองเอาไม่จริงไม่จังแล้วเอเนี่ยเวงเี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้เราพร้อมเพียงเนี่ยอย่างทํากิจกรรมตัวเนี้ยดีเห็นด้วย เราเห็นด้วยทําไปเรื่อยๆความดีเนี่ยทําไปอย่าหยุดอย่าหย่อนเนี่ยอย่าไปท้อแท้ว่าทําดีแล้วไม่ดีดีอย่าไปคิดอย่างนั้นบางทีคิดเองคนเดียวที่เฉยแต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงพร้อมก็ไม่ได้เนี่ยอย่างเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะบวชมาเป็นพระอย่างนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยมันมีอะไรเยอะแต่ขอให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิทําสมาธิให้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างอื่นอจะตามมาเอง มันจะรู้เท่าทันกิเลสตัณหาละคะมันจะมาทางไหนเนี่ยมันจะรู้เท่าทันหมดอ่านไม่น้อ ย, อยทําให้เยอะฟังมากดีแต่ต้องทําให้มากด้วยฟังแล้วอย่าไปจําฟังให้มันมผ่านไปเฉยถ้าเกิดเราบางังคับไปจำปุ๊บเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นจริงๆขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทําไปอย่า uh, ท้อแท้อ่อนแอนะขอขอให้ทุกคน สำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวนะงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทีโอที่ก็ทําบุญมากันตลอดครูบาอาจารย์ก็มากันเยอะเนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินเดือนขึ้นเยอะๆโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายครอบครัวอบอุ่นถ้ามีโอกาสก็ไปวัดไปวาบ้างจะได้จิตใจผ่องใสนะใครจะบวชก็ไปอยู่ด้วยกันนะได้ เนาะเอาแค่นี้ก็แล้วกัน